คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เม RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรั บ, รบค่ะ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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพานุมาตรหัตถบุญแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสารพันห้องครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงอาหารถนอมอาหารนะคะในช่วงของลุยเข้าครัวแล้วก็เรื่อง <namely> ของการตกแต่งห้องครัวนะคะในช่วงของกลมเมตรเกรดเสริมครัวแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงของการทำความสะอาดหลังจากที่เราทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำความสะอาดห้องครัวเป็นการปิดท้ายกันี่ยสหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะฟังเพลงพร้อๆแล้วก็เรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า1 0 0สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสม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 เข้าสู่ช่วงแรกนะคะกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ดีๆของไมโครเวฟนะคะที่มีมากกว่าการอุ่นอาหารนั่นเองปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังไมโครเวฟเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ประโยชน์ดีๆที่ทุกบ้านเนี่ยต้องมีเพราะว่าจะช่วยให้คุณ น, นั้นอุ่นอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารแช่แข็งได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดเตาแก๊สหรือว่าเตาอบ ว่าความร้อนจากเตาไมโครเวฟค่ะไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เรื่องของการอุ่นอาหารเท่านั้นนะคะยังช่วยให้งานครัวของคุณนั้นง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยอย่างแรกเลยนะคะเพิ่มน้ำมะนาวให้มากขึ้นหากคุณจะคั้นน้ำมะนาวนะคะให้คุณลองนําลูกมะนาวเนี่ยไปอบในไมโครเวฟเราๆยี่สวินาทีก่อนที่จะนํามาคั้นนะคะความร้อนจากไมโครเวฟเนี่ยจะทําให้ลูกมะนาวนั้นนุ่มคั้นง่ายแล้วก็ช่วยเพิ่มน้ำมะนาวให้ได้ ขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะการปลอกหอมใหญ่เนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็ไม่แสบตาค่ะเพียงแค่คุณนำห อ, หอมหัวใหญ่นะคะมาตัดหัวแล้วก็ท้ายออกนำไปอบในไมโครเวฟด้วยความร้อนสูงราว30วินาทีค่ะแล้วก็นำออกมาหั่นตามปกติอาการระคายเคืองนะคะที่เกิดจากสารระเหยในหัวหอมเนี่ยจะลดน้อยลงค่ะต่อมานะคะทำก้อนน้ำตาลทรายที่แข็งให้ร่วนลงได้ค่ะ หางน้ำตาลทรายนะคะในกระปุกของคุณนั้นแข็งจนไม่สามารถที่จะตักขึ้นมาได้ให้นำน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงในภาชนะสำหรับที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็มีฝาปิดมิดชิดพร้อมกับกระดาษชำระชุบน้ำอีกหนึ่งแผ่นค่ะก่อนที่จะนำเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ30วินาทีแล้วน้ำตาลของคุณจะกลับมาร่วนดังเดิมต่อมานะคะทาความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วยน้ามะนาวค่ะ คุณสามารถทำให้เตาอบไมโครเวฟนะคะทำความสะอาดตัวเองได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ผสมน้ำมะนาวกับน้ำสะอาดลงในชามแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นนำถ้วยออกแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ทั่วคราบสกปรกก็จะหลุดออกได้โดยไม่ต้องเสียแรงขัดค่ะ สุดท้ายนะคะปลอกเปลือกกระเทียมได้ง่ายขึ้นเพียงแค่คุณนำกระเทียมนะคะมาแกะออกเป็นกลีบแล้วก็นำไปอบในเตาไมโครเวฟค่ะประมาณ15วินาทีความร้อนจากเตานะคะจะทําให้เปลือกของกระเทียมเนี่ยร่อนออกจากเนื้อแล้วก็ทําให้แกะได้ง่ายนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเข้าห้องครัวในช่วงแรกนั่นเองกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ดีๆจากไมโครเวฟที่ไม่ได้มีแค่การอุ่นอาหารเท่านั้นวันนี้คุณผู้ฟังทราบแล้วว่ามีอะไรดีๆอีกเยอะเลยลองนำไปใช้กันดูนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้อย่างเนื้อเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามกันนะคะในช่วงที่2ของรายการกับช่วงของกลเม็ดเกรดเสริมครัวค่ะ Line Official RMUTT พร้อมให้บริการข่าวสารกับทุกท่านแล้วค่ะโดยคลิกที่แอปพลิเคชัน Line แล้วพิมพ์ @RMUTT จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธัญบุรีแล้วค่ะ Line อ f ฟ i c i a l RMUtt ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย <Line. S 1> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี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 พ่าชจัยสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมนุนไพรด้วยมืออาชีพราคาย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีรา ช, ชมงคลธัญบุรีศูนย์รงังสิปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรี 025921999 RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรั บ, รบค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร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 มหาาวิททยยยลัยเคโโนรีราชมงคับุีครับรับบกเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกลเม็เครัวไอเดียกันแล้วนะคะกับช่วงนี้กลเมตรเกรดเสริมครัวค่ะเคล็ดลับการตกแต่งห้องครัวแบบง่ายๆให้สวย ด้วยวิธีที่ไม่ยากเลยนะคะวันนี้เอนนำมาฝากกันเพราะว่าบรรยากาศในห้องครัวนะคะส่งผลต่อสุขภาพในการทำอาหารดังนั้นแล้วการจัดตกแต่งห้องครัวให้สวยและสะอาดจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะซึ่งการตกแต่งห้องครัวให้ดูดีตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ฟังนะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังทาตามวิธีต่อไปนี้ข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังสะอาดตาด้วยตู้เก็บของ หากว่าอยากให้ห้องครัวของคุณนี่ะดูสะอาดแล้วก็สบายตาแล้วแล้วก็ให้คุณผู้ฟังค่ะเลือกใช้ตู้เก็บของที่ดูเป็นกระจกใสแล้วก็อาจจะเลือกใช้ตู้สีขาวหรือสีไม้อ่อนค่ะจะช่วยให้ห้องครัวของคุณดูกว้างแล้วก็โปร่งสบายขึ้นค่ะข้อที่สองนย ะ, ะสดใสด้วยสีสันคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มความสดใสด้วยการเลือกใช้เครื่องครัวน ะ, ะที่มีสีสันอย่างเตาอบ เครื่องดูดควันหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องประดับเพิ่มด้วยนะคะก็จะมีสีสันเล็กๆน้อยๆต่างๆกันไปนะอย่างหม้อกระทะจานชามแจ ก, กันาหรือว่าขวดโหลนะคะจะช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำอาหารนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เยอะเลยล่ะค่ะ ข้อที่3านะคะวางโตอาหารในครัวการนำโตอาหารมาวางในครัวนะคะจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศห้องครัวของคุณได้เพียงเลือกใช้โต๊ะดีไซน์สวยๆอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะด้วยผ้าปูโต๊ตระก้าผลไม้หรือว่าแจา ก, กาันดอกไม้ก็ทำให้สดชื่นขึ้นได้ค่ะข้อที่4นะคะตกแต่งชั้นวางของด้วยตระก้า เียงนำตะกร้าเนี่ยค่ะที่เป็นตะกร้าไม้สารเนี่ยมาวางผลไม้หรือว่าชุดเครื่องปรุงค่ะก็จะช่วยให้ห้องครัวนั้นสวยล่องสบายตาเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ ข้อที่5กันแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้เพิ่มบรรยากาศอบอุ่นการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะที่เป็นไม้สีอ่อนเนี่ยจะช่วยให้บรรยากาศในห้องครัวของคุณดูอบอุ่นแล้วก็สบายตา ม, มากขึ้นแต่การจะใช้สีไม้ที่เป็นสีเข้มเนี่ยก็จะทำให้ห้องนั้นดูแคบลงค่ะเหมาะกับการตกแต่งห้องครัวที่กว้างมากเกินไปมากกว่า ะะก็ลองเลือกใช้ดูว่าให้มันดูเหมาะสมนะคะกับห้องครัวที่บ้านของคุณผู้ฟังละกันส่วนข้อ6นะคะเลือกใช้พื้นผิวเคาน์เตอร์ตามไลฟ์สไตล์ค่ะหากคุณเป็นคนที่ชอบความหรูหราแล้วนะคะให้เลือกใช้เคาน์เตอร์หินอ่อนแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการความแข็งแรงทนทานนะคะก็ควรจะเลือกใช้แบบคอนกรีตค่ะข้อที่7นะคะสีเหลืองเพิ่มความสดชื่น หากครัวของคุณค่ะมีบรรยากาศทึบแล้วก็อึดอัดนะคะให้คุณเนี่ยตกแต่งด้วยสีเหลืองก็อาจจะทำให้สีผนังนะหรือว่าเป็นการตกแต่งของบางอย่างบางชิ้นนะคะจะทำให้บรรยากาศนั้นดูสดใสขึ้นได้ค่ะข้อที่8ดนะคะรูปภาพติดผนังหากคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องครัวให้หรูหราขึ้นแล้วนะคะก็แค่เพียงนากรอบรูปเนี่ยมาประดับบนผนังจะทาให้ มีความสดใสแล้วก็มีความหรูหราขึ้นได้อาจจะเป็นรูปผลไม้อาหารหรือว่าดอกไม้ก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่9นะคะคมไฟซึ่งการติดโคมไฟแล้วนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกห้องรวมถึงห้องครัวด้วยเช่นกันค่ะเพียงแค่หาโคมไฟนะคะที่มีดีไซน์หรูๆมาตกแต่งห้องครัวของคุณก็จะดูดีขึ้นมาทันตาเลยละคะ่ะ ข้อที่สิข้อสุดท้ายนะคะเลือกใช้ขวดโหลในการเก็บเครื่องปรุงเพียงแค่คุณผู้ฟังคานนาขวดโหลเนี่ยมาใส่เครื่องเทศนะคะที่เป็นขวดโหลใส่ๆน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าเป็นขวดโหลสูงๆยาวๆมาใส่เส้นพาตา้าจะช่วยให้คุณนั้นหยิบของดังกล่าวเนี่ยมาใช้ได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งตกแต่งห้องครัวให้สวยงามในคราวเดียวกันด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของกลเม็ดเกล็ดท้ายครัวนะคะซึ่งเราจะมาปิดจ็อบ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 มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคา ย, ย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทรศูนย์สอ9 9สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรี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 เขส่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันเล่านะคะกับช่วงนี้กลเม็ดเกล็ดท้ายครัวค่ะวันนี้เอมีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องครัวสะอาดปราศจากเชื้อโรคมาฝากคุณแม่บ้านแล้วก็คุณพ่อบ้านหลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นกังวลหรือเกินบางทีเนี่ยทำความสะอาดไปแล้วเอ้ยมันดูสะอาดตามากเลยแต่ว่าเราไม่มั่นใจนะคะว่าเชื้อโรคแล้วก็พวกเชื้อบาตเทอรียหรือว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยยังคงค้างอยู่หรือเปล่า ะะการดูแลห้องครัวนะคะควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบตกแต่งไม่ควรทำให้รกเกินไปหลังในการตกแต่งเนี่ยนะคะก็ควรจะจัดวางห้องครัวไม่ให้รกทำได้ง่ายๆก็คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราเนี่ยนะคะใช้แล้วต้องนามาล้างควรจัดวางให้ใกล้กับอ่างล้างจานเพราะว่าจะสามารถทำให้เก็บได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆด้วยเช่นกันนะคะอย่างจานชามก็สามารถวางซ้อนกันได้ถ้วยกาแฟาไม่ควรมาวางซ้อนกันสําหรับหม้อกระทะนะคะก็ควรจะวางไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่จับประกอบอาหารสําหรับครอบครัวที่ใช้เครื่องปรุงในการทําอาหารนะคะหลายชนิดเนี่ยก็ควรจะวางไว้ใกล้กับบริเวณที่ทําอาหารเช่นกันแต่ควรวางไว้ให้เป็นหมวดหมู่ค่ะสามารถหยิบใช้ได้ง่ายนอกจากนี้นะคะการเก็บวัสดุที่ทําความสะอาดก็ควรเก็บให้เรียบร้อยน้ํายาด ทำความสะอาดก็ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็กการตกแต่งอื่นๆนะคะภายในห้องครัวเนี่ยควรใช้วัสดุที่จําเป็นเท่านั้นแล้วควรใช้วัสดุที่สามารถทําความสะอาดได้ง่ายเพราะการทําความสะอาดภายในห้องครัวเนี่ยมักจะมีคราบมันบ่อยๆนะะีคะสุดท้ายแล้วค่ะถึงแม้ว่าการวางแผนอย่างไรเนะะีคะสำหรับการตกแต่งห้องครัวไม่ให้รกเนี่ยแต่ว่าปัจจัยสําคัญต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยว่าเราจะใช้งานอย่างไรนะะีคะที่จะไม่ทําให้ห้องครัวนั้นรก อีกครั้งนะคะควรหมั่นดูแลความสะอาดนะคะห้องครัวอยู่เสมอไม่แพ้ห้องนอนหรือว่าห้องน้ําค่ะแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ใช้ห้องครัวนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็ปอดโรคอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของ A แล้วก็รายการกลรเม็ดครัวไอเดียนะคะพร้อมด้วยทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีทุกๆคนแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและสวัสดีค่ะ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี